แนะนำบทอะซูมัดบทอะซูมัดเป็นบทมัคคิยังมีเจ็สห้าองค์การที่กล่าวถึงหลักกา ร, รต่อพระยิย่างละเอียดตรงกระทั่งเกือบจะเป็นแกนหลักของบทนี้เพราะมันเป็นรากฐานของการศรัทธาและเป็นรากฐานของการงานที่ดีบทได้เริ่มกล่าวถึงอุลุรานซึ่งเป็นปฏิหารอันยิ่งใหญ่คู่ชีวิตของมุฮัมมัดอิบนุอัลดุลลอห์และการใช้ท่ารอซูลมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติศาสนาขิจ ต, ต่ออัลลอห์ ให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์โดยการพิจารณาดูสิ่งที่ถูกสร้างและในบทได้ตอบโต้พ้อขัขาเหล่านั้นด้วยหลักฐานอย่างชัดเจนบทได้กล่าวถึงหลักการเชื่อมั่นอย่างชัดแจ้งและได้เปิดเผยถึงภาพลักษณ์แห่งการขาดทุนอย่างย่อยยับของการพวกปฏิเสธสถานในโลกแห่งการตอบแทนคืออาสรอ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 บทได้กล่าวถึงสภาพจิตใจของพวกมุชริกีนขณะที่พวกเขาได้ยินการให้เอกภาพแดอาลลอห์จิตใจของพวกเขาจะหดหู่และเมื่อพวกเขาได้ยินการกล่าวถึงบรรดาเวิตพวกเขาก็โห่ร้องแสดงความยินดีรา่าเริงบทได้จบลงด้วยการกล่าวถึงการเป่าสังครั้งแรกและการเป่าสังเพื่อการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมและติดตามด้วยความหวาดกลัว และความโกลาหลนของวันกียร์ม์และได้กล่าวถึงวันที่ภากษาอันยิ่งใหญ่โดยที่บรรดาผู้ยำเกรงมีธรรมะจะถูกนำไปสู่สวนสวรรค์เป็นกลุ่มๆส่วนคนชั่วจะถูกจูงไปยังนรกยานนาเป็นกลุ่มๆบทนี้ถูกขนานนามว่าอายุมรัรเพรา ะ, ะอะรถทรงกล่าวถึงกลุ่มของผู้มีความสุขสำราญที่เป็นชาวสวรรค์ และกลุ่มของผู้ที่มีความทุกข์ที่เป็นชาวนรกกล่าวทุนงกลุ่มแรกพร้อมกับการยกย่องให้เกียรติและกลุ่มหลังพร้อมความต่ำต้อยและความไร้เกียรติด้วยพระนามของ a l ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอนิ คำพีนี้ถูกประทานลงมาจากอัลลอ์ผู้ทรงเดชานุพ้าผู้ทรงปริชาญาติอินน้นซล่าอกลิาบะบิลฮับิลลาฮมุคิัลลฮดีนแท้จริงเราได้ประทานคำพีมายังเจ้าด้วยสัจธรรมดังนั้นเจ้าจงคารบพักดีต่ออัลลอ์ โดยเป็นผู้มีความบริส <Geneva> ุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ อินนัลู้ทราบเถิดว่าการเคารพพักดีโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวส่วนบรรดาผู้ที่ยึดถือเอาบรรดาผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์เปิดกล่าวว่าเรามิได้เคารพพักดีพวกเขาเว้นแต่เพื่อทำให้เราเข้ากล้ชิดต่ออัลลอฮ์นั้น แท้จริงอลอฮจะทรงถัดสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันถ้าจริงอลลอฮจะไม่ทรงให้ทางนำแก่ผู้กล่าวเท็้ยนผู้ปฏิเสธสถาหากอลลอฮทรงประสงค์จะมีพระบุตร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 คึงทาราบเถิดพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภัยยิง่ง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 ولا يضال عباده الكفر وإن تشكروا يضله لكم ولا تزروا ز وزارة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيلبيكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ห ا กพวกเจ้ ي ปฏิเสธ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 أ َ م َّ ن ْ ه ُ و َ ق َ ا ن ِ ت ُ ن َ ا الَّيْنِ س َ ا ج ِ د َ و ا وَقَائِمَ س َ ا ج ِ د َ و ا وَقَائِمَ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْيَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ อินอลลบบผู้ที่เขาเป็นผู้พักดีในยามค่ำคืนในสภาพของผู้ควมกราบสุยุตและผู้ยืนละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อพระโลกและหวังความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเขาจะเหมือนกับผู้ตั้งพาคีต่ออลัลลอฮ์กระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้ จะเท่าเทียมกันหรือแท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะไครวญุลยาอิบัติลล์ีนอาเมนุตตะูรบบลิลลีนอนุฟฮฮดุนยาพัสนะแะอัลลอฮฺอัอินนมาฟอัซบรนอัรมบิริิซาบังกล่าวเถิดมมัด ว่โอ้พวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเครงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดสำหรับบรรดาผู้ทำความดีในโลกนี้คือจะได้รับการตอบแทนความดีและแผ่นดินของอัลลอฮ์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลแท้จริงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับการตอบแทนระวัลของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่อาจคานวณได้ ผมกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันได้ถูกบัญชาชายให้เคารพภักดีต่อลอโดยเป็นผู้มีความมรสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์และฉันได้ถูกบัญชาให้เป็นคนแรกของบรรดาผู้นอบน้อม จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันกลัวการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่หากฉันฝ่าฝืนพระทูอภิบาลของฉันจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ฉันเคารพพักดี โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันต่อพระอินงคนนัีด์ ลอดังนั้นพวกเจ้าชงเคารพพักดีตามที่พวกเจ้าประสงค์อื่นจากพระองค์เถิดจงกล่าวเถิดมโหมัดว่าแท้จริงบรรดาผู้ขาดทุนนั้นคือผู้ที่ทําตัวของพวกเขาเองและครอบครัวของพวกเขาให้ขาดทุนในวันขียาม เพิ่งรู้เถิดว่านั่นคือการขาดทุนอย่างชัดแจ้งสำหรับพวกเขานั้นมีชั้นของเปลวไฟนรกปกคลุมเหนือพวกเขา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 และบรรดาผู้ที่หนีออกห่างจากพวกเจวตเพื่อที่จะไม่สการะบูชามันและหันไปจงรักพักดีต่อหรอสำหรับพวกเขานั้นมีข่าวดีแต่นั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงแจ้งข่าวดีแก่พวกบ่าวของข้าเถิด บรรดาผู้ที่สะดับฟังคำกล่าวแล้วปฏิบัติตามที่ดีที่สุดของมันชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อลัลลอฮ์สมที้แนะทาง น, นำที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่มีสติปัญญาไข้ควร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 แต่ผู uh َท uh uh uh uh uh ี uh ่นั่งรอรับประทานอาหารในห้องโถงที่อยู่ ل หนือห้องโถงนั้นเป็นห้องโถงที่อยู่ระ้ห้องเานั้น สำหรับพวกเขาจะมีคระหอันสง่าโอโถงเหนือขึ้นไปอีกก็มีกระหด์โอโถงสร้างไว้ณนะเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายหลายผ่านมันเป็นข้อสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงบิดเบี้ยวสัญญา เจ้า ม, มีเห็นดอกหรือว่าแท้จ ร, รมมิงอลัลลอ์นั้นทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าและทรงให้มันไหลซึมเข้าไปในแผ่นดิน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 ผู้ใดเพื่อล้อทรงเปิดสวงอกของเขาเพื่ อ, อสังและเขาอยู่บนแสงสว่างจากพระผู้อบิบาลของเขา เหมือนกับผู้ที่หัวใจบอดกระนั้นหรือแต่นั้นความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างต่อการระลึกถึงอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแ้ะอัลลอฮฺนั้นเจ้าละอัพสันัลหะดีษิคิตาบันมุตชาบิฮัมเมตานยะกุชอยรุมิหนูจุลูดุลลาอินยากชอุนรดบะฮุม Allah ไมม ด, ด, ด้ทรงประทานคำกล่าวที่ดียิ่งลงมาเป็นคำพีครองจองกล่าวซ้ำๆกัน ผิวหนังของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะลุกขันขึ้นแล้วผิวหนังของพวกเขาและวิจัยของพวกเขาจะสงบลงเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นคือการชี้ทางนำของอลัลลอฮ์พระองค์จะทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่โปรง่งทรงประสงค์และผู้ใดที่อลัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางดังนั้นสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้ทางนำให้เหลย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 จงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหาไว้เถิดบรรดาชนก่อนหน้าพวกเขาได้เคยปฏิเสธมาแล้วฉะนั้นการลงโทษได้มีมาอย่างพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวบราดาคนลอาอัลลอฮฺในชีวิุนยา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 และโดยแน่นอนเราได้ยกทุกทุ ก, ทกอุทาหอในอัลกุรอานนี้สำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้ไข ค, ควรกุรานเป็นภาษาหรับโดยไม่มีการคดเคียวเพื่อพวกเขาจะได้ยำเกร พระอ ل ค ه ทรงยกอุทาหรณชายคนหนึ่งเป็นห <igue> <techn> ุ <aime> ้นส่วนกัน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 และแท้จริงในวันกิยามานั้นพวกเจ้าจะถกเถียงกันต่อนหน้าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าแะนั่นอัลมมิมันคดบะอัลลอาฺและคดบะิซิิกอิบดานะอาลีส์ฟิจเฮน จากนั้นผู้ใดเล่าที่จะทำยิ่งไปกว่าผู้กล่าวเท็จต่อหรอและปฏิเสธความจริงเมื่อมันได้มีมาอย่างเขามิใช่ในนรกดอกหรือที่เป็นที่พำนักสำหรับผู้ปฏิเสธสถาทั้งหลายส่วนผู้ที่นำความจริงมา และเขาได้เชื่อมั่นต่อความจริงนั้นชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ยังเกรงสำห ร, ร, ร, รับพวกเขานั้นจะได้สิ่งที่พวกเขาต้องการหน้าที่พระผู้วิบาลของพวกเขานั่นเป็นการตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี เพื่อที่ลอดจะสรงลบล้างความชั่วที่พวกเขากระทำไว้ออกจากพวกเขาและจะสรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาด้วยสิ่งที่ดียิ่งตามที่พวกเขาได้กระทำไว้อลบ a ลล a h จะไม่ทรงเป็นผู้ให้ความพอเพียงแก่บ่าวของโปรงดอกหรือและพวกเขายังขู่เจ้าให้กลัวบรรดาจเจวิตอื่นจากพระองค์และผู้ใดทท่อล้อทรงให้เขาหลงทางสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้ทางนำใดๆอีกเลย ز ز และผู้ใดเพื่อลอทรงชี้ทางนำให้ก็ไม่มีผู้ใดจะทำให้เขาหลงทางไปได้อัลลอไม่ใช่ผู้ทรงเดชานุภาพผูพ้ทรงตอบโต้อย่างเด็ดขา ด, ดหรือ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أ َ ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله إ ل أرادني الله بضرب هل هنك ا شفاه ضرته أو أرادني ب ر ح م ة ه هل هن ممسك ا رحمته الله, และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอ์นั้น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 พุทธิการลงโทษจะมาอย่างเขาก็จะทำให้เขาอับปยและการลงโทษตลอดกาลก็จะประสบแก่เขาอินนัลซาลลัลฮ์อะลัยฮ์ุสฺซิลกาบลิมนาสิบิลฮะคว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 ถ้าจริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใคร้ครูญหรือว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาผู้ช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์ต้องกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าทั้งๆ ท, ที่พวกมันไม่ได้มีอำนาจใดๆ และพวกมันก็ไม่มีสติปัญญาการะนั้นด้วยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าความช่วยเหลือเป็นสิทธิของอัลลอ์โดยสิ้นเชิงอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์และพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ وإذا ذكر الله وحده ش م ز ت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون และเมื่อพระนามของอัลลอถูกกล่าวเพียงพระองค์เดียวจิตใ จ, จของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคีรอก็รังเกียจ แต่เมื่อบันดาเวิตถูกกล่าวอื่นจากพกระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจโอลลฮุม า, าัสสมาวติ ع ا م ا ل ي ب و ا ش ه ا د ة أنت ت, أن ت, ت ك م بين ع ا ع ب ك ف ي م ك ف ه ي จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้ลล l a h พระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยพระองจะทรงตัดสินระหว่างวงบ่าวของพระองท่านในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันวะลออันลิล ล, ลดีนฆอลาววมูนาติอัซญะมีอวะมิตละูมาห์ูลัฟตะดุบิฮีมินซูอิลอาซบิยะอ์มะลกิยมะ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 สิ่งที่มาจากอัลลอฮ์นั้นจะปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาบและความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาได้เย่อเย้ยไว้ในนั้นก็จะได้ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ فإذا مس الإنسان ضدنا ثم إذا خولناه نعمة منا قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم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 ดโดยแน่นอนบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาได้กล่าวมันไวเช่นนี้ดันั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทไว้นั้นหาได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาไม่โดยแน่นอนบรรดาหมู่ชนกอนหน้าพวกเขาได้กล่าวมันไวเช่นนี้ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นั้นหาได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาไม่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 พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงแผ่ปัดใจยังชีพแก่ผู้ที่โปรงมงทรงประสงค์และทรงให้คับแคบ แพ้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา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 ล ب ب และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดียิง่งที่ได้ถูกประทานลงมาอย่างพวกเจ้า จากพระผู้พิบาลของพวกเจ้าปฏิการลงโทษจะมายัางพวกเจ้าอย่างฉับพลันโดยที่พวกเจ้าไม่รู้สึกตัวาาารรชีวิตหนึ่งจะกล่าวว่าโอ้ความหายนะจงประสบแก่ฉันอันเนื่องด้วยฉันได้ทอดทิ้งหน้าที่ที่มีต่อรอ แต่ฉันเคยอยู่ในหมู่ผู้เยอะเยอะอีกด้วยหรือชีวิตนั้นจะกล่าวว่าหากลราทรงชี้นำแก่ฉันแน่นอนฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้ยำเครง หรือชีวิตนั้นจะกล่าวขณะเห็นการลงโทษว่ามากว่าฉัานมีโอกาสกลับไปสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดี Allah ตรัสว่าเปล่าเลยแน่นอนสัญญาณทั้งหลายของข้าได้มายังเจ้าแล้วแต่เจ้าได้ปฏิเสธมันและเจ้าได้ยิงยะโสแต่เจ้าได้อยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธศรัทธา และในวันกียามะเจ้าเห็นบรรดาผู้กล่าวเทศต่อหรอโดยที่ใบหน้าของพวกเขาดำคล้ำดังนั้นที่บำนักสำหรับบรรดาผู้หญิงยะโสนั้นมิใช่นรกดอกหรือ ลวเราโล่งให้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพนเพราะชะชนะของพวกเขาโดยที่ความช่วร้ายจะไม่ประสบแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่โศกเศร้าเสียใจ a l l ل h ข้าวัลขุ่งทุกสิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่ง การควบคุมกิจาการแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์และบรรดาผู้ปฏิเสธสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ท้นเหล่านั้นคือพวกขาดทุนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าใช้ใฉั้นเคารพสาการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือ โอ้กองบ่าวผู้โง่เขลาเอ๋ยแลโดยแน่นอนได้มีองค์การมายัางเจ้าและยังบรรดานาบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งพาคีต่ออลลอฮ์แน่นอนการงานของพวกเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขาดถูกแต่ว่าจงคารบพักดีอัลลอฮ์และจงอยู่ในหมู่ผู้กตันอยู่เถิด ลับลพวกเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่แด่อลัลลอฮ์อย่างแท้จริงและแผ่นดินนี้ทั้งหมดอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ในวันกิยามะและบรรดาชันฟ้าจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ ข, ขั้นขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงทรงเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาดี และแสงได้ถูกเป่าขึ้นและบรรดาผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผน่นบินจะล้มลงสิ้นชีวิต เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์แล้วสั่งได้ถูกเป่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนมองดู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 และทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่ได้กระทำไว้และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากระทำไว้ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم؟ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا م และบรรดาผู้ปฏิเสธสธานจะถูกไล่ต้อนไปสู่นรกเป็นกลุมกล่มๆจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงประตูทั้งหลายของมันจะถูกเปิดออก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 و َ س َ ي ق َ ا ل َ ا َّ ذ ِ ي ن َ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أ َ ب ْ و ا ب ُ ه َ ا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ق ِ ب َ ت ُ م ْ ت َ د خ ُ ل ُ ه َ ا خَالِدِينَ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 และเจ้าจะเห็นมาไลากะห้อมล้อมอยู่รอบรอบบัลลังก์แท่สองสาดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของพวกเขาและจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุมติธรรมและจะมีเสียงกล่าวว่า การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮพระผู้อธิบาลแห่งสากลละโลก